จะอยู่กันดีด้วยหลักการหรือต้องคุมกันด้วยอ า, ยา ญ, ญาบรรยายเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ที่วันมาคาบูชาได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีและญาติโยมก็มีศรัทธา ม, มาร่วมทําบุญกันตั้งแต่เช้าบางท่านก็อยู่ได้ตลอดวันบางท่านก็มีธุระอื่นก็กลับก่อนบางท่านก็มาได้ตอนบ่ายตอนเย็นแต่รวมแล้วก็คือได้มาทําบุญ ทำบุญวันนี้ก็เช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติมาเราก็เรียกลงรวมว่าบำเพ็ญทานศีลภาวนาโยมก็ทํากันครบเหเรอลองสํารวจตัวเองก็จะเห็นว่าเราทําบุญเนี่ยวันนี้ครบทั้งสามประการแต่ทําโดยรู้เข้าใจก็จะได้บุญครบโทษสมบูรณ์บางทีเราทําไปเราก็ไม่ได้สํารวจไม่ได้ตรวจตราหรือว่าไม่ได้วัดผล ถ้าเราวัดผลด้วยนี่เราจะจ ะ, จะรู้เกิดปัญญาแล้วก็ยิ่งเกิดปัญญามีความรู้เข้าใจแล้วก็ยิ่งทําให้บุญกุศล น, นั้นเพิ่มพูนเพราะว่าพอรู้เข้าใจแล้วจิตใจก็จะตามปัญญานั้นคือเกิดปิติเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขเกิดความเมบิกบานสดชื่นผ่องใสเป็นต้นในวันนี้โยมาอย่างน้อยก็ได้และในจิตใจเริ่มต้นก็ด้วยจิตใจมีศรัทธา ศรัทธาก็ทาให้ใจผ่องใสพอมานึกถึงทำบุญทบกุศลก็มีความแอมอืบ อ, อิ่มแช่มชื่นใจอันนี้ก็เป็นความสุขเป็นการเริ่มต้นที่ดีพอเริ่มต้นถูกต้องอย่างนี้ก็เข้าตามคติของวันนี้ที่เป็นวันมาฆบูชาซึ่งโยมก็คงจะรู้จำได้ถึงความหมายของวันมาฆบูชา ขอพูดถึงเรื่องของวันมาคบูชานี้นิดหนึ่งว่าเราเรียกกันว่าวันวันมาคบูชาบ้างอันนี้เป็นชื่อที่คุณที่สุดบางทีก็เรียกว่าวันจาตุรงคสันนิบาตหรือจะเรียกว่าวันโอวาทปาติโมกก็ได้แค่บอกชื่ออย่างนี้ก็ท่านใดเข้าใจความหมายของแต่ละชื่อนั้นก็เป็นอันว่า รู้จักวันมาคบูชาจริงก็เรียกว่าไม่ต้องอธิบายกันมากเมื่อถึงวันมาคาบูชาแต่ละปีก็จะได้อธิบายกันและอธิบายกันมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะไม่อธิบายมากจะไม่ไปทบทวนความหมายของคำว่ามาคบูชาจะตุรงกสนนิ บ, บาตมีอะไรบ้าง โอวธทปาติโมกมีเนื้อความละเอียดพิสดารว่าอย่างไงวันนี้จะขอาการถือว่าโยมทราบแล้วบอกแต่เพียงว่าชื่อวันมีสามอย่างอย่างนี้ทีนี้โยมมาทำบุญทำกุศลในวันมาคบุญชาจุดยอดนี่ก็มาแล้วลึกถึงความหมายแล้วก็มาจบที่โอวัทปาติโมก โอวาทปติโมกแม้จะไม่พูดในรายละเอียดแต่ก็อาจจะจับบางจุดมาพูดหน่อยก็ขอพูดถึงบางแง่บางมุมของโออาทัปติโมกทีนี้จะพูดไปได้ก็โยมก็ต้องทําความเข้าใจความหมายพื้นฐานสักนิดหนึ่งก่อนพราโออาทัปติโมกนั้นก็แปลว่าโอวาทที่เป็นหลักเป็นประธานคือคําตรัสสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักใหญ่ เราก็เลยเรียกกันว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาที น, นี้หลักคําสอนที่เป็นหัวใจพุทธศาสนานโยมก็จํากันได้แม่นในตอนที่ว่าเว้นชั่วทําดีทําใจให้บริสุทธิ์หรือทําใจให้ผ่องใสอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคาถาอวตารปาติโมซึ่งความจริงนั้นมีสามท่อน ก็นี้เรื่องปาติโมกที่ว่าเป็นคำสอนที่เป็นหลักเป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยตัวคำยืนอยู่มีคำหนึ่งคือคำว่าปาติโมกปาติโมกแปลว่าหลักใหญ่หรือหลักที่เป็นประธานนี้เราได้ยินบอาโอวาทปาติโมกก็เป็นคำสอนที่เป็นหลักเป็นประธานเปนี้ปาติโมกนี่มีสองอย่าง วันนี้ที่จะมาทวนก็คือทวนเรื่องปาติโมกสองอย่างอีกอย่างหนึ่งคืออะไรมีโอวาทปาติโมกแล้วก็มีปาติโมกหนึ่งเรียกว่าอานาปาติโมกโอวาทโอวาตคำตรัสสอนนี่อานาอานานั่นแปลว่าอำนาจคล้ายๆคำสั่งเป็นเชิงบังคับ ภาษาไทยในใช้ในรูปสาษสักฤตเรียกว่าอาจยาแต่ว่าความหมายในใช้ภาษาไทยนี่อาจจะรู้สึกไม่ดีเช่นอยางอาจยา ก, กรรมเป็นเรื่องไม่ดีไปอานาก็เป็นเรื่องของอำนาจทีนี้วันนี้เป็นวันโอวาทปาติโมกแต่ว่าเราต้องรู้จักปาติโมกให้ครบเพราะปาติโมกมีสองอย่างอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอาณาปาติโมกเอาละต่างกันอย่างไร แล้วอานาปาติโมกนั้นไปอยู่ที่ไหนปาติโมกอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอานาปาติโมกนั้นก็โยมได้ยินบ่อยอวันนี้วันพระสิ้นเดือนนะวันนี้วันพระกลางเดือนนะพระลงปาติโมกโยมโดยเฉพาะท่านที่ใกล้ชิดวัดเนี่ยก็จะต้องได้ยินคานี้เสมอนี่แหละลงปาติโมกปาติโมกที่พระลงกันทุกครึ่งเดือนเนี่ย ถ้าเรียกเต็มก็เป็นอาณาปาติโมกหรือมาเทียบกับโอวาทปาติโมกเป็นอาณาปาติโมกบางทีโยไม่ได้สังเกตไม่ได้เทียบกันว่าปาติโมกที่ได้ยินว่าพระลงไปสวดปาติโมกอะไรเนี่ยมาสัมพันธ์อะไรกับโอวาทปาติโมกวันนี้นี่จับมาโยงซะเลยวันนี้นีเป็นอันว่าปาติโมกมีสองอย่างหนึ่งโอวาทปาติโมก เป็นคําตรัสสอนโอวาทของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักใหญ่เป็นประธานและก็อาณาปาติโมก ค, คือปาติโมกที่เป็นประเภทข้อบังคับคำสั่งที่พระจะต้องลงไปร่วมประชุมสวดทุกกึ่งเดือนในวันกลางเดือนและวันสิ้นเดือนคือวันเพนขึ้น15คห้าำแล้วก็วันแรม14บสีหรือสิบ้าคำ โอวาทปาติโมกเนี่ยเกิดก่อนพระพุทธเจ้าการแสดงโออัธปาติโมกไว้ตั้งแต่หลังจากตรัสรู้ได้9้าเดือนคือวันมาคาบุชาเนี่ยหลังจากนั้นตามประวัติก็ว่าพระองค์ก็ทรงประชุมพระสงฆ์และแสดงโออัธปาติโมกเป็นประจำจนกระทั่งยีสิบปีต่อมาก็ได้ทรงบัญญัติพระวิ น, นัย เรียกว่า no สิกขาบทคือข้อบัญญัติที่เป็นข้อข้อข้อหรือคล้ายๆกฎหมายก็เป็นแต่ละมาตรานี่รวมทั้งหมดเรียกว่าวินัยคล้ายๆกฎหมายข้อบัญญัติที่เป็นวินัยนี้เกิดขึ้นมานก็จะต้องมีการประชุมสวดให้ที่ประชุมให้พระสงค์นี่ถือเป็นหลักปฏิบัติทั่วเสมอกัน เมื่อเกิดวินัยอันนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ให้สวดฟังปาติโมกข์ที่เป็นวินัยซึ่งเป็นฝ่ายข้อบังคับหรืออาณาปาติโมกข์นี้แนทนโลวงก็หยุดสวดปาโอวาทปาติโมกข์หยุดแสดงไม่ใช่หยุดสวดก็เรียกว่าหยุดแสดงโอวาทปาติโมกข์ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงโอวาทปาติโมกข์มา20ปีแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอาณาปาติโมกข์ อาาปาติโมกข์ก็ที่พระสวดกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่นี้เรื่องเป็นยังไงจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงโอาถ้าปาติโมกข์คำตรัสสอนที่เป็นหลักใหญ่นั้นก็เป็นการตรัสให้รู้กันไม่เป็นการบังคับเพราะอะไรเพราะว่าในระยะต้นพุทธกาลนั้นพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยล้วนเข้ามาบวช ด, ด้วยศรัทธา คณสงก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเวลามีจำนวนมากขึ้นเนี่ยแล้วก็จะมีเรื่องประกอบเข้ามาเช่นเรื่องลาภผลประโยชน์อะไรต่างๆเข้ามาแล้วก็อาจจะมีคนไม่ค่อยดีเข้ามาและคนที่บวชโดยที่ตามๆกันไปไม่รู้เข้าใจวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายก็มีขึ้นมีขึ้นต่อมาก็มีความประพฤติ ท, ที่ไม่อยู่ในหลักการ ก็ไม่พูดทําสิ่งที่ไม่ดีขึ้นเป็นที่น่าติเตียนแล้วทาให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในหมู่สงฆ์พระพุทธเจ้าก็บัญญัติสิ่งที่เรียกว่าสิขาบทก็เหมือนกับข้อบัญญัตินั่นเองเรียกว่าเป็นพุทธบัญญัติว่าทํานั้นไม่ได้นะทํานี้ไม่ได้ทําอันนั้นแล้วมีความผิดเนะช่นว่าภิกษุดื่มสุราแล้วเป็นอาบัติปาจิตติอะไรเงี้เป็นต้นนะเนี่ยก็เริ่มเมื่อ20ปี บทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงตราไว้สาหรับพระภิกษุสงฆ์ให้ประพฤติปฏิบัติเป็นทางวินัยเนี่ยก็มารวมเรียก ว, ว่าเป็นปาติโมกซึ่งเป็นฝ่ายอานาปาติโมกพระภิกษุในยุคแรกของพุทธกาลก็อยู่กันมาด้วยหลักการด้วยการรู้กันนี่เป็นข้อสังเกต ท, ที่สาคัญก็คือว่าในยุคต้นพุทธกาลนั้น ท่าทั้งหลายก็รู้เข้าใจว่าเราบวชกันมาทําไมหลักการพุทธศาสนานี่บวชแล้วเนี่ยจะต้องประพฤติปฏิบัติยังไงแนวทางมันอยู่แล้วชัดเจนเข้าใจกันดีนีก็แปลว่าไม่ต้องมีข้อบังคับเลียงเดียวกับประเภทวิ น, นัยบอกหลักการขึ้นมาก็ถือตามนั้นก็รู้กันเลยแต่พระพุทธเจ้าก็ต้อ ง, งทรงทบทวนอยู่เสมอว่าอ๋อหลักการของพุทธศาสนานะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นีแต่เมื่ออย่างที่บอกเมื่อกี้ไปแล้วว่า เมื่อมีพระภิกษุจำนวนมากขึ้นแล้วก็มีลาบผลประโยชน์มีอะไรจะอะไรก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จำเป็นจะต้องมีวินัยขึ้นมาแล้วก็มีการบัญญัติความผิดแล้วก็มีการลงโทษนี่เรียกว่าเป็นอาณาปาติโมเพราะนั้นอาณาปาติโมกก็มีการลงโทษมีการทำความผิดด้วย นี่ก็เล่าให้โยม ฟ, ฟังถึงเรื่องอาเรื่องปาฏิโมกขสองเหี้ยจะได้มีความเข้าใจนี่หละเรื่องของสังคมมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แม้แต่เรื่องของพระสงค์ซึ่งเป็นจะเรียกว่าเป็นชุมชนก็ได้ที่ตั้งขึ้นเพื่อความดีงามแล้วก็ผู้ที่เข้ามาก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่ตั้งใจมีเจตนาที่มุ่งมาเพื่อจะฝึกอบรมตนแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่เมื่อหมู่ใหญ่ขึ้นมานะ่ยยิ่งโดยเฉพาะเมื่อมีลาบมีผลประโยชน์เกิดขึ้นน่ย คนที่เข้ามาเพื่อลาภเพื่อผลประโยชน์มีเข้ามาโดยที่ว่าถ้าเราจะเรียกก็อาจจะพูดว่าเหมือนกับเป็นการปลอมเข้ามาแหละเพราะว่าไม่ได้เข้ามาด้วยใจจริงก็ทําให้เกิดปัญหาก็วินัยก็มาช่วยแล้วตอนนี้ก็จะมาตีกรอบกั น, นมีการบัญญัติมีความผิดมีการลงโทษอะไรเนี่ยก็เกิดขึ้นมาการปาติโมกก็มาเป็นเครื่องหนุนก็เพื่อให้พระนั้นอยู่ในโอวาทปาติโมกนั้นเอง ถ้าว่าพระสงฆ์ทั้งหลายนั้นประพฤติปฏิบัติตามโออาทปาติโมกเราก็ไม่ต้องมีอนาปาติโมก ok, วินัยต่างๆก็ไม่จำเป็นในในสังคมของมนุษย์ที่พัฒนาตัวดีแล้วมีความเจริญงอก ง, งามทางจิตใจทางปัญญาดีพฤติกรรมก็ดีแล้วเนี่ยก็อยู่กันด้วยหลักการที่วางไว้ก็รู้เลยนะอย่างที่เรียกว่าโออาทปาติโมกนั้น พระเจ้าทรงแสดงว่าถ้าปาติโมงนี้ก็เป็นเรื่องของหลักคำสอนที่เป็นข้อที่เน้นที่พระสงฆ์ที่ทำหน้าที่ไปทำประโยชน์แก่ผู้อื่นไปเผยแผ่าศาสนาจะได้ถือเป็นเครื่องปฏิบัติร่วมกันทั้งตัวเองผู้เผยแผ่ด้วยทั้งว่าจะนำไปสอนผู้อื่นด้วยถือเป็นหลักอย่างเดียวกันไว้ก็จะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ว่าเมื่อมีสงหมู่ใหญ่ขึ้นมีผู้ที่จะต้องคอยดูแลกันมากขึ้นก็มีวินัยมาเป็นเครื่องช่วยแล้วก็เลยวินัยนี่ก็มาตีกรอบอีกทีว่าเป็นเครื่องกำกับว่าทําไงจะให้พระเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติอย่างที่เรียกว่าอยู่ในโอวาทปาติโมกได้เหมือนกับอนาปาติโมกมาช่วยโอวาทปาติโมกอีกชั้นหนึ่งนี่โอวาทปาติโมกก็เลยว่าก็มีเป็นเพียงหลักใหญ่ๆคําสอนมีไม่มากมีแค่ คาถาสามตอนสามช่วงเรามักจะแบ่งกันว่าเป็นสามส่วนนะก็ขอทวนกระยมนิดหน่อยวันนี้ว่าจะไม่ต้องทวนก็ทวนจนได้แต่ว่าทวน้ไม่ทวนอะไรหนักหนาทวนเฉพาะสาระสําคัญช่วงที่หนึ่งก็เป็นว่าขันติปรมังตโพตีติถานิพานังปรมังวทันติพุทธาในหิปัปปิโตปา ร, รูปรกาติสมณโอติป ร, รังมิเหท ย, ยันโตก็แค่เนี้เรียกว่าคาถาเดียวทอนที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่งก็บอกให้รู้เรียกไปไง่ายๆว่าเป็นลักษณะหรือเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาซึ่งอาจจะเทียบเคียงการัทติศาสนาอื่นที่มีในสมัยนั้นนะว่าพุทธศาสนามีลักษณะอย่างนี้นะว่าเอาคาว่าเพยตะบะการพุทธศาสนาไม่ถือเอาตาบะแบบนั้นเช่นเขาไปทรมารร่างกายในพุทธศาสนาไม่เอาด้วยตาบะของพุทธศาสนาก็คือขันตินี่แหละนะไม่ต้องไปเที่ยวทรมารร่างกายอะไรหรอกแล้วก็ จุดหมายพุทธศาสนาเขาไปเข้าถึงพระพรหมไปอยู่รวมกับพระพรหมอะไรต่างๆเหล่านี้พุทธศาสนาก็บอกว่าอ๋อนิพพานนะเป็นจุดหมายเป็นบรมธรรมแล้วก็ลักษณะเขาบัณชิตสมณะนักบวชในศาสนาอื่นท่านหมายนะเขาอาจจะมองคือผู้มีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่เป็นผู้ทําพิธีกรรมเป็นสื่อระหว่างพระพรหมกับมนุษย์อย่างนี้เป็นตนน้นในความหมายของนักบวชในศาสนาอื่น พุทธเจ้าก็บอกว่านักบวชบรรพชิตสมณะในความหมายของพุทธศาสนาคือผู้ไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใครว่าง้นเป็นผู้สงบอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็จะเห็นว่าคาถาแรกเนี่ยแสดงลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาและมาท่อนที่สองก็จะบอกหลักการและทีนี้ หลักการก็จะบอกว่าหลักใหญ่ใจความของพุทธศาสนาสัพพปาปัศกัรนังกุสลสูปสัปสสมปธาสจิตตประโยชนปังบอกว่าหนึ่งไม่ทำความชั่วทั้งปวงสองทำกุศลคือความดีให้เพียบพร้อมแล้วก็สามทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์แล้วก็เอตังพุทธานศสสนางนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ ย, ยก็เราก็เอาท่อนนี้เรามาเป็นหัวใจพุทธศาสนา แล้วก็ไปท่อดสุดท้ายต่อไปส่วนที่สามก็จะบอกอนุปวัโทอนุปาคขาโตปาทิเมก็ปาธิโมกเขจะสังวรรมัตตัญตาจะพัฒนสมิงพันตัญจะสยนาสนังอาทิจิตเจจะอายโยโคเตาพุทธานัสสสนังก็บอกว่าไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายนะรู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่สงัดนะบำเพ็ญเพียรในอทิจิตฝึกจิตของตนให้ยิ่งขึ้นไป นี่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้เป็นลักษณะวิถีชีวิตของพระภิกษุคือผู้ที่ไปทำงานเผยแผ่ศาสนาว่าพระภิกษุผู้ทำงานเผยแผ่ศาสนาเป็นประโยชน์กระชาวโลกนะดาเนินชีวิตแบบนีน้เป็นผู้ที่ไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายใครแล้วก็เป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคลักษณะสาคัญ แล้วก็เป็นผู้ที่ชอบอยู่ในที่สงับบำเพ็ญเพียรฝึกจิตของตนยิ่งขึ้นไปก็นี่ก็สามส่วนเนี่ยโยมก็จำมาให้ดีที่จริงพระพุทธเจ้าทรงมุ่งปรับความเข้าใจทบทวนกับพระสงค์เองแต่ว่าญาติโยมก็ควรรู้ด้วยจะเห็นว่าพระที่จะไปสอนเนี่ยต้องหนึ่งรู้ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสธาเพราะว่าอยู่ท่ามกลางลัทธิศาสนาสมัยนั้นเนี่ย จะได้รู้ว่าแนวทางพุทธศาสนาเป็นอย่างไรและสองก็หลักการใหญ่ที่จะไปสั่งสอนประชาชนและสามตัวเองดำเนินวิถีชีวิตยอย่างไรนะมีพร้อมอยู่ในเนี้ยอันนี้ก็เป็นการกล่าวแบบคนที่รู้กันอยู่แล้วที่จริงข้อปฏิบัติเล็กๆน่นอน ย, ยังมีอีกเยอะแยะแต่ว่าท่านเหล่านี้ล้วนจะเป็นผู้ที่ได้ฝึกอรมตนแล้วก็อยู่กับ พระพุทธเจ้าบ้างแล้วก็อยู่กับพระอาหารหันตสาวกผู้ใหญ่บ้างก็ฝึกอบรมตนมีการเจริญใจิกขากันดี พ, พุทธเจ้าก็มาตรัสข้อนเน้นย้ำเป็นการทบทวนไว้ที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกนี้เรียกว่าเราต้องดูหลักคําสอนนี้ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมคือสังคมยุคนั้นและลัทธิศาสนาสมัยนั้นว่าเขาเป็นกันอย่างนี้พพุทธเจ้าจึงตรัสอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนา และทีนี้พอมีปัญหาอย่างที่ว่าแล้วพระหมู่ใหญ่ขึ้นมามีเรื่องของคนดีคนร้ายอะไรต่างๆก็มีการบัญญัติวินัยเป็นอาณาปาติโมกข์ก็กํากับเข้าไปอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งของวันโออัถปาติโมกข์หรือวันมาคาบุชาธิโยมอาจจะได้ความรู้ขึ้นมาอีกด้านหนึ่งนะก็เลยนำมาพูดในวันนี้ก็เลยว่ามีเรื่องที่อยากจะพูดเพิ่มอีกนิดหนึ่ง สำหรับเรื่องมามาคบูชาเนี่ยก็เราก็ได้ความแล้วนะตอนนี้ว่าโอวถ้าปาณิโมกนี่เป็นหลักใหญ่คำสอนที่เป็นหัวข้อสาคัญและเราก็มีอาณาปาติโมกมากำกับพอมาสมัยนี้เนี่ยอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็มีกฎหมายคณะสงฆ์เน่เช่นอย่างมีพรบคณะสงฆ์ขึ้นมาอีกเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ความขยายตัวและวิธีการของสังคมมนุษย์ที่จะมาช่วยทําให้กิจการต่างๆในสังคมเนี่ยเป็นไปได้ดีทีนี้ในเมื่อสิ่งเหล่านี้มาเกิดมีขึ้นมาในสังคมในหมู่ชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธก็ต้องรู้เข้าใจให้ถูกต้องเวลานี้ก็มีข่าวเรื่องโน้นเรื่องนี้กันดีบ้างร้ายบ้างเนี่ยชาวพุทธเนี่ยจะต้องวางใจให้ถูกต้องในการวางใจให้ถูกต้องนี่ก็ต้องแยกได้ระหว่างความรู้สึกกับความรู้ ด้านหนึ่งความรู้ความรู้นี่ต้องหาต้องรู้ต้องเข้าใจมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไทยรู้ทันรู้ความจริงหาความรู้ให้ท่องแท้ถูกต้องส่วนเรื่องความรู้สึกระวังอย่าให้เกิดความรู้สึกที่เราเรียกว่าอารมณ์เป็นโลภโทสะโมหะความโกรธความอะไรกันเนี้ยแหแล้วก็ทะเลาะวิวาทอะไรต่อะไรกันต้องเข้าใจว่าทุกอย่างนี้มุ่งเพื่อประโยชน์กันส่วนรวม การที่เรามีกฎหมายคณะสงฆ์อะไรต่างๆก็เพื่อมากำกับอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันหนึ่งโอวงอาทาปาติโมงนี่เป็นหลักใหญ่เป็นตัวสิ่งที่ต้องการและให้พระประพฤติปฏิบัติตามนี้แม้แต่ไม่มีระเบียบวินัยที่มาบังคับกันนะถ้ารู้เข้าใจทําตามนั้นก็อยู่และพระศาสนาแต่นี้เราก็ มองดูสังคมมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แหละมีคนดีบางคนชั่วบางก็เลยทําให้ต้องมีอาณาปาติโมกขึ้นมาชัน้นพอมาถึงเมืองไทยอาณาปาติโมกยังไม่พออีกหรือ <c oughs> กฎหมายวินัยของพระสงฆ์ยังต้องมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เข้า <c oughs> ไปอีกชั้นหนึ่งอีกนะเนี่ยเราคิดดูทีนี้ถ้าพหลบบคณะสงฆ์อีกชั้นหนึ่งแล้วยังไม่ไหวอีกถ้าจะแย่แนะั่นเลยบอนี่ก็หมายความว่าสามชั้นแล้วชั้นที่หนึ่งนี่โอวาทปาติโมกนะ พระสงฆ์อบรมดีพัฒนาตัวดีแล้วโอวาทปาติโมกพอเอ้าไม่พออาณาปาติโมกวินัยพระเข้ามาก็ได้กก่ศีลรย2 7เห็นีที่พระสวดกันทุกครึ่งเดือนเอาแล้ยังไม่พออีกเลยต้องเอาพระราชบัญญัติกฎหมายคณะสงฆ์มาช่วยกำกับอีกชั้นหนึ่งนะแต่เราก็มองอย่างเงี้ยว่าเรื่องของสังคมมนุษย์มันก็มีปัญหาต่างๆแล้วเราก็ ม, มองว่าเออ ตอนนี้เขาพูดกันเรื่องพราบาคณะสงฆ์เนี่ยมันก็โยงมาหาเรื่องวันมาคบุญชาได้เรื่องโอวาทปาติโมกและอานาปาติโมกนี้แหละนั้นวันนี้แม้จะเป็นเรื่องของทางบ้านเมืองแต่มาเกี่ยวกับพระสงฆ์เกี่ยวกับศา ส, สนาเขาก็เลยถือโอกาสทําความเข้าใจกับโยมนิดหนึ่งแต่อาตมาบอกว่าให้หาความรู้เข้าใจตัวเองก็ยังไม่มีเวลาหาความรู้เข้าใจพอเลยนะมีบางท่านก็ชอบถามอาตมาว่า ที่เขาจะออกพรบคณะสงฆ์ใหม่กันเนี่ยมีร่างโน้ร่างนี้นะท่านเห็นยังไงแตมาบอกว่าอาตมายังไม่สามารถให้ความเห็นได้เพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ได้หาความรู้ให้เพียงพอเพราะว่าก่อนจะให้ความเห็นต้องขอหาความรู้ก่อนนี่ร่างพรบคณะสงฆ์เนี่ยกี่ฉบับก็ตามที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีเวลาได้อ่านจบเลยมีคนส่งมาเพื่อจะขอให้ช่วยออกความเห็น ส่งมาตั้งหลายครั้งแล้วส่งมาทีละสองร่างหรือเกินกว่านั้นก็ไม่มีเวลาจะอ่านแต่ก็บอกว่าถ้าจะให้ความเห็นต้องหาความรู้ก่อนวางั้นเพราะฉะนั้นยังไม่ให้ความเห็นบางท่านอาจจะฟังไปแล้วก็จับไม่ถูกว่าาตมาไปให้ความเห็นยังไม่ให้ความเห็นหรอกแต่ให้ได้อยู่อย่างหนึ่งคือให้หลักกายนะเรื่องพรบคณะสงฆ์นี่ เราไม่พูดเฉพาะฉบับไหนฉบับไหนร่างไห น, ร, ไหนร่างไหนก็ได้แต่เราพูดกว้างไปเลยไม่ว่าท่านจะออกพรบรฉบับไหนก็ตามกฎหมายคณะสงฆ์อันไหนก็ตามมีหลักการอยู่อันหนึ่งว่าควรจะเป็นอย่างนี้อันนี้เราจะพูดว่าเราให้ความเห็นก็ได้ให้หลักการก็ได้เพราะเป็นเรื่องของตัวสาระในทางพพุทธศาสนานั้นเรื่องร่างพรบรที่ร่างกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ยังไม่ได้อ่านให้จบเพราะฉะนั้นไม่สามารถให้ความเห็นได้แต่ว่าไม่ว่าพรบคณะสงฆ์จะเป็นร่างฉบับใดก็ตามก็จะต้องมีหลักการอันเดียวกั น, นเพื่อจุดมุ่งหมายอันเดียวกันแล้วพรบรที่ดีที่สุดก็คือพอรบรที่ช่วยให้สําเร็จผลตามจุดมุ่งหมายนี้ถ้าร่างใดมาทําให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายนี้ได้นั้นก็เป็นพรบรที่ดี นี้เราจะพูดยังไงและพระบรยังไงจึงจะดีเพราะเราจบัญญัติคณะสงฆ์หรือกฎหมายคณะสงฆ์ทั้งหลายนี้มีขึ้นเพื่ออะไรเราบอกเพื่อรักษาพุทธศาสนาแล้วก็เพื่อรักษาคณะสงฆ์นี่จะเพื่อเชิดชูพุทธศาสนาเราก็ต้องถามว่าแล้วอะไรคือตัวพระพุทธศาสนาเนี่ยที่ว่าเราจะรักษาพระพุทธศาสนานะั่นคือรักษาอะไรพระพุทธเจ้า ปัสรู้แล้วก็ส่งสั่งสอนสเสด็จจาลิกไปสั่งสอนนวลสั่งสอนนี่สิ่งที่ส่งสั่งสอนทั้งหมดและจัดวางไวร้รวมทั้งเป็นวินัยที่เราเรียกอานาปาติโมกข์ทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้สร้างไว้เป็นจะเรียกง่ายๆก็เรียกว่าผลงานของพระพุทธเจ้าก็ได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็มอบไว้ให้แก่เรารวมทั้งหมดเรียกว่าพระธรรมวินัยเนีย นี่คือเนื้อตัวที่แท้ของพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานโร่งก็ตรัสไว้เลยว่าโยโอะอนันทมายาธรรมโจอวินโยจัสัวเทสิโตปัญญัตโตโสโหมมัตจเยนัสัทธาบอกว่าอานตนทำลายวินัยใดที่เราแสดงและบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายเมื่อเราร่วงรับไปทำละ ว, วินยัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายอันนี้ก็คือว่า เมื่อพระพุทธเจ้าแม้จะปรินิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยนี่แหละก็เป็นศาสดาเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าสืบมาดังนั้นเวลานี้เราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ก็คือไปเฝ้าที่พระธรรมวินัยของพระองค์และอันนี้แหละคือเนื้อตัวของ พ, พุทธศาสนาส่วนนอกนั้นก็คือสิ่งที่งอกเลยออกมาจากพระธรรมวินัยนี้ ก็คือการที่เราจะเอาพระธรรมวินัยนี่มาใช้ประโยชน์จะทําให้เกิดผลดีแก่ชีวิตแก่สังคมของเราเราก็เอาพระธรรมวินัยเนี่ยมาเผยแพ่มาสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยพระพุทธเจ้าเขามอบไว้ให้แก่เราเนื้อตัวพุทธศาสนาอยู่ที่นี่ดังนั้นอาก็ถามต่อไปว่าอแล้วพระธรรมวินัยไม่พอหรือทําไมต้องมีพรบรคณะสงฆ์อีกละ่ะเราก็ตอบได้บอกว่าพระธรรมวินัยนั่นน่ะ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้แล้วก็จริงแล้วเป็นศาสดาแทนพระองค์แต่องค์พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไม่ได้มีพระพุทธเจ้าไว้คอยตรัสคอยกํากับว่าสั่งสอนพูดอย่างนั้นอย่างนี้ให้โยโยู่ในพระธรรมวิ น, นัยแล้วก็ไม่มีศูนย์กลางอันเดียวกันที่จะมาคอยกํากับอย่างนั้นต่อมามีพระมากมีญาติโยมมาก พ, พุทธวริยสัจกระจายไปก็มีคนที่ประพฤติปฏิบัติไปทําอะไรแต่ไรแม้แต่พูดจาสั่งสอนนอกออกไปเนี่ย แล้วจะกากับกันได้ยังไงยิ่งสมัยนี้บางทีมีคนที่ไม่ได้เข้ามาเพื่อปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเพื่อจะเอาประโยชน์จากพระธรรมวินยัยก็จะเข้ามาทำความเสื่อมเสียสั่งสอนนอกเรื่องไปปฏิบัตินอกทางไปและจะทำยังไงบ้านเมืองก็รักพระพุทธศาสนาเห็นว่าพุทธศาสนาคือตัวพระธรรมวินัยนี้เป็นประโยชน์ จะต้องให้รักษาพระพุทธศาสนาคือตัวพระธรรมวินัยนี้ไว้เป็นหลักให้แก่ประเทศชาติต่ตอไปเหมือนอย่างโบราณประเพณีของเราองค์พระมหากษัตริย์แต่กังศ์ปางก่อนก็ต้องพยายามมีการสังคายนาอุปธรรมสังคายนาพระธรรมวินยัยแล้วก็มีการจัดให้มีการพิมพ์มีการจารึกพระธรรมวินัยไว้เนี่ยยังเป็นหลักอย่างในหลวงตั้งแต่กรุงธนบุรีพอตั้งกรุงเทพตั้งกรุงธนบุรีได้ บ้านเมืองพอจะเข้าทีก็รีบให้หาพระไตรปิฎกส่งมาจากเมืองใต้เมืองเหนือนะมารวมไว้กลัวว่าพระาศาสนานี้จะเสื่อมไปนะให้หลักพระธรรมวินัยอยู่พระธรรมวินัยนิจารึกไว้ในพระไตรปิฎกพอในหลวงราชการที่หนึ่งตั้งกรุงเทพได้ก็สิ่งที่ทำเป็นประการแรกเมื่อตั้งกรุงเข้าทีคืออะไรก็คือจัดสังขยาณาประชุมจารึก พระธรรมวินัยแล้วก็เอามาตั้งเป็นหอมเป็นคำพีไว้ที่วัดพระแก้วพอถึงราชการที่ห้าพอมีระบบการพิมพ์ขึ้นไปเป็นหลักฐานราชการที่ห้าส่งเริ่มเลยเอาพระไตรปิฎกที่อยู่ในใบลานนะั้นมาพิมพ์เป็นเล่มหนังสือเลยแจกไปตัวเทศต่างๆเนี่ยพระธรรมวินัยนี่เป็นหลักพุทธศาสนาบ้านเมืองก็รู้อยู่ว่าพระธรรมวินัยนี่เป็นหลักของพุทธศาสนาแต่ว่าคนที่มาบวชมาอะไรกันอยู่ใน วงการพุทธศาสนาได้ชื่อปัญชาพุทธก็ตามหรือคนข้างนอกก็ตามเนี่ยทำไงจะไม่ให้มาทําลายพระธรรมวินัยนี้และก็ทําให้ยึดถือพระธรรมวินัยนี้เป็นหลักทั่วกัรเนี่ยทำไงก็เลยบ้านเมืองก็เข้ามาช่วยก็มีการตรากฎหมายคณะสงฆ์ขึ้นมาที่มาเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยก็เพื่อจะมาช่วยเป็นฐานรองรับพระธรรมวินยัยเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง พระชูพระธรรมวินัยขึ้นมาให้เป็นหลักแกพุทธศาสนาให้ได้เพราะฉะ น, นั้นประข้อที่หนึ่งก็คือกฎหมายคณะสงฆ์เนี่ยมีขึ้นเพื่อเป็นฐานรองรับพระธรรมวนนะินัยนี่ทำหน้าที่ที่หนึ่งเลยต่อไปก็พระธรรมวินัยนี่มีไว้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อประโยชน์แกทุกๆคนนี่แหละเริ่มตั้งแต่คนที่เข้ามาบวช พอเข้ามามาบวชในพระธรรมวินัยก็จะได้ใช้ประโยชน์จากพระธรรมวินัยมาเล่ามาเรียนมาศึกษามาปฏิบัติพอเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วก็ได้ประโยชน์จากพระธรรมวินัยจากคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็คือเจริญในใจศึกขามีศีสมาธิปัญญาอันนั้นก็บทหมายคณะสงฆ์ก็มาช่วยอีกคือมาช่วยกํากับให้คนที่เข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนรเนี่ยให้มา ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยเล่าเรียนพระธรรมวินยัยเอาพระธรรมวินัยไปใช้ประโยชน์แล้วทําตัวให้เจริญงอ่งามขึ้นในไตรสิกขาศีสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นประโยชน์ของกฎหมายคณะสงฆ์พรบคณะสงฆ์ก็คือต้องมาเป็นเครื่องกํากับให้ผู้ที่เข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนรเนี่ยได้ประพฤติเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินยัยเจริญในไตรสิกขานีนี่อันนี้ก็คือเป็นเรียวกว่าเป็นจุดมุ่งหมาย ที่เป็นสาระสําคัญของพรบคณะสงฆ์อแล้วทีนี้พอพระสงฆ์ได้เจริญในาจศีขาก็เป็นพระเนรที่มีคุณภาพพระเนนั้นก็อยู่กับประชาชนได้รับความอุญธรรมจากญาติโยมอยู่ในวัดวัดนั้นก็เป็นที่ญาติโยมมาพบพระสงฆ์มาทำบุญมาถวายพระตาหารอะไรต่างๆเหล่าเนี้พระสงฆ์ก็ให้ประโยชน์กับญาติโยมก็โดยสั่งสอนพระธรรมวินัยอันนี้วัดก็เลยกลายเป็นแหล่ง เป็นศูนย์กลางที่เผยแพร่ธรรมวิ น, นัยเผยแพร่ขยายศีลธรรมไปสู่ชุมชนไปสู่ชาวบ้านไปสู่สังคมประเทศชาติทั้งหมดนั้นคณบดีคณะสงฆ์ก็มาทาหน้าที่เพื่อีกิการเพื่อให้ได้ประโยชน์ตลอดครบวงจรก็คือมาเป็นเครื่องเป็นหลักประกันว่าให้วัดเนี่ยเป็นแหล่งหรือเป็นศูนย์กลางที่แผ่ขยายธรรมะ ศีลธรรมไปสู่ชุมชนไปสู่ประชาชนจบเลยเท่านี้แหละนะนี่คือจุดหมายสาระสำคัญของพรบคณะสงฆ์ส่วนที่จะไปจัดว่าใครจะปกครองใครจะทำหน้าที่ยังไงจะแบ่งเป็นระบบยังไงนะจะจัดเป็นอำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการตามแบบบ้านเมืองสมัยปัจจุบันอันนี้เป็นเรื่องของระบบที่จะมาคำจุนจุดหมายนี้ถ้าหากว่าวางระบบขึ้นมาแล้ว ได้ผลที่ว่าสามประการนั้นพรบรนั้นใช้ได้แต่จะวางยังไงก็ตามถ้าไม่ได้ผลสารประการนั้นก็เป็นพรบรที่ล้มเหลวเนีฉะนั้นอันนี้เราพูดได้ให้ความเห็นได้ถ้าใครมาถามอาตมาก็จะให้ความเห็นแค่นี้แต่ตัวร่างพรบรที่ร่างกันอยู่ปัจจุบันนี้บอกว่ายังไม่ให้ความเห็นเพราะว่ายังไม่ได้มีเวลาอ่านให้จม ก็เอาเป็นทวนอีกทีหนึ่งว่ากฎหมายคณะสงฆ์โดยเฉพาะพรบคณะสงฆ์นั้นจะต้องมีขึ้นเพื่อจุดหมายที่ต้องทําให้สําเร็จให้ได้หนึ่งต้องเป็นฐานรองรับพระธรรมวิ น, น, นัยนะเชื่อชูพระธรรมวินัยขึ้นไปเป็นหลักของพุทธศาสนาให้ได้ 2. ต้องเป็นเครื่องกํากับผู้ที่เข้ามาบวชวิ็นพราเณรเนี่ยให้เล่าเรียนปฏิบัติ พระทำวินัยจเจริญในายศิกขานี่ต้องทำให้ได้สามต้องเป็นหลักประกันให้วัดเป็นแหล่งที่แผ่ขยายธรรมะและปัญญาสู่ชุมชนตั้งแต่ชนบทจนกระทั่งถึงเมืองกรุงประเทศชาติทั้งหมดทำได้สามอย่างนี้แหละพอแล้วเรื่องพอพรบคณะสงฆ์แต่จะบัญญัติกันละเอียดยังไงก็ตามถ้าไม่ได้ผลสามอย่างนี้ก็ล้มเหลวเนี่ย นี่เวลานี้ได้ยินว่าไปพูดก็จะเรื่องว่าจะเอายังไงจะจัดปกครองยังไงจะมีนั่นกี่องค์นี่กี่องค์นะอันนี้ทําไม่คานึงถึงตัวเป้าหมายจุดหมายของกายที่เรามีว่าพรบนี่มีเพื่ออะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไปถกเถียงกันในเรื่องนอกเรื่องนะซึ่งถ้ามันไม่เกิดผลที่มุ่งหมายนี้มันก็เสียเวลาเปล่าดังนั้นพรบคณะสงฆ์ที่เป็นมาเนี่ยมันมีปัญหากันเพราะว่าเรายังไม่สามารถทําให้ได้ผลตามนี้นะ ก็เลยวันนี้ก็เลยมาย้ำกันแล้วก็เป็นการทำความเข้าใจกันด้วยเพราะชอบถามท่านมีความเห็นอย่างไรบอกว่ายังไม่มีความเห็นเพราะว่ายังไม่อ่านตลอดก็เราจะให้ความเห็นในเรื่องอะไรเราต้องหาความรู้ให้พอก่อนแต่ในเรื่องหลักการนี่พูดได้เลยไม่ว่าพรบฉบับไหนก็ต้องขอให้ได้ตามนี้แล้วหมดเรื่องกันนะเพราะนั้นไม่ว่าใครจะร่างเนี่ยใครร่างให้ได้ผลตามนี้และคนนั้น เรายอมรับได้เล ย, เยถือว่าประสบความสำเร็จเป็นใครก็ได้แต่ทำไงจะให้ได้ตามเนี่ยโยมต้องบอกว่ายากเหมือนกันนะก็เอาและนี้ก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบฝ่ายบ้านเมืองที่เข้ามาช่วยของพระศาสนานะก็มีหนึ่งโอวาทาปาติโมกข์แล้วสองก็มีอาณาปาติโมกข์แล้วมีศีล227สบ้านเมืองเข้ามาช่วยคําจุนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง นี่ก็เพื่อให้ราษฎรของประเทศชาติที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกุศลศาสนาเนี่ยได้ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยเพราะว่าปาฏิโมกข์ของพระนั้นท่านใช้สำหรับผู้ที่เข้ามาบวชแล้วทีนี้คนที่มาบวชนี่มาจากไหนก็มาจากสังคมภายนอกมาจากประเทศชาติบ้านเมืองอย่างคนไทยทั้งหลายเนี่ยจะมาบวชแั้นทีนี้จะทาไงล่ะปาติโมกข์ของพระนี่นไม่คุมไปถึงญาติโยมภายนอกพอรบคณะสงฆ์ก็เลยออกมาช่วย อีกชั้นหนึ่งนี่เป็นเรื่องของฝ่ายบ้านเมืองที่มีความปรารถนาดีต่อศาสนาต้องการจะรักษาศาสนาให้มั่นคงและต้องประสานให้ได้ก็พอทำอย่างนี้แล้วจะประสานได้เลยคือพรบคณะสงฆ์นี่จะเป็นวงนอกที่สุดที่จะมาช่วยตะล่อมกำกับไว้ให้พุทธบริษัททางค้าริหรัารและบรรพชิตเนี่ยเข้ามาสู่พระธรรมวิ น, นัยก็เข้ามาสู่ อาณาปาติโมกข์อาณาปาติโมกข์ก็กำกับในชั้นในให้ประสงค์นี่มาอยู่ในโอวาทปาติโมกข์ชั้นหนึ่งถ้าเราได้ครบสามชั้นอย่างนี้ละสังคมชาวพุทธเราก็ดีประเทศชาติก็จเจริญมั่นคงสังคมก็มีความร่มเย็นเป็นสุขในวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอามาพูดว่าอาณาปาติโมกข์เนี่ยเท่ากับเป็นตัวกลางเนี่เชื่อมระหว่างพรบบอคณะสง์กับโอวาทปาติโมกข์ แล้วก็โอัปปาติโมคนั้นก็เป็นเรื่องของแง่ด้านสำคัญที่พระพุทธเจ้าเอามาเน้นกับพระสงฆ์ผู้ทางานเผยแผ่ศา ส, สนาโดยยกคัดเอามาจากพระธรรมวินัยนั่นเองหมายความว่าโอัปปาติโมคนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าต้องการเน้นแก่พระสงฆ์ที่ทำงานเผยแผ่ศา ส, สนา ยอมเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ยงมได้หมดมองเห็นพุทธศาสนาเราก็จะได้อยู่กันได้ความสบายแล้วก็จะยังไงไงก็ให้มีความสามัคคีกันไว้เวลานี้มีเรื่องราวจะอไรไรข่าวบ่อยๆเรื่องพระศาสนาเนี่ยมันชวนให้เกิดอารมณ์โยมก็เดี๋ยวก็โกรธกันเดี๋ยวก็ว่ากันบางทีก็ดีไม่ดีก็ทะเลาะกันบอกเมื่อกี้แล้วบอกว่าเอาหนึ่งด้านปัญญาในความรู้อันนี้ไม่อั้นเลย เรื่องความรู้นี่ต้องหาความรู้กันให้ถึงที่สุดเรื่องการรู้ความจริงแต่สองรู้แล้วแล้วต้องรักษาจิตได้ต้องไม่ไปตามความรู้สึกคือความรู้เนี่ยถ้าคนสามัญผู้ทุชนเนี่ยมันมักจะทำให้เกิดความรู้สึกนะพอรู้ว่าคนนั้นเขาคิดลายแหละใช่ไหมพอรู้ว่าเขาคิด้ายเราก็โกรธแล้วทีความรู้สึกกับมาถ้ารู้ว่าเขาปรารถนาดีต่อเราเราก็ใจดีด้วย ทีนี้ว่าทางพระท่านก็มาข่มอีกชั้นเน่ยให้รู้ให้รู้เนี่ยท่านไม่ว่ารู้ก็ไปเถอนะเนี่ยเป็นปัญญาเราต้องรู้ด้วยแต่ด้านรู้สึกนี่ระวังพอรู้ไปแล้วเออเขามีความประสงค์ร้ายจะทําลายเราเราทําไงจะโกรธแต่ว่าต้องแก้ไขปัญหานะไม่ใช่ทิ้งไว้ถ้าทิ้งไว้ก็เป็นประมาทต้องแก้ไขปัญหาอย่างเวลาเนี้ยปัญหาในทางพระสอศาสนาเนี่ยเยอะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมา ก็ต้องย้ำกันบ่อยๆบอกว่าปัญหาเหล่านี้นะมันเป็นผลจากการสะสมยาวนานอไอเหตุปัจจัยเนี่ยสำคัญมันเราเนี่ยได้ทํากันมานานแล้วในสังคมของเราเนี่ยจึงกระทั่งปัญหามันเกิดขึ้นมาเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยที่ยาวนานเนี่ยเราก็ต้องแบ่งการแก้ปัญหาเป็นสองขั้น หนึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีอะไรกันมาเกิดขึ้นมาก็แก้ไขให้มันจบให้มันสิ้นให้มันเรียบร้อยไปแต่อย่าลืมแก้ปัญหาระยะยาวคือเหตุปัจจัยที่มันทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นว่าเออเป็นเพราะอะไรนะมันจึงเป็นอย่างงี้เนี่ยก็เราก็จะดูแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่าอ๋อมันก็เป็นเพราะไม่เป็นไปตามที่ว่าเมื่อกี้หนึ่งเราไม่ได้เอาภิธรรมวินัยเป็นหลักของพุทศาสนาใช่ไหมจนกระทั่งว่าชาวพุทธเนี่ยไม่รู้จักเนื้อตัวพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนแล้ว ทำวินัยเนี่ยเป็นตัวเนื้อของพระศาสนาเป็นแก่นเป็นแกน่เป็นตัวแท้เป็นองค์พระศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาใจใส่หนึ่งแล้วนะสองพระเนรบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เล่าเรียนประเพณีบวชเรียนก็พูดปไปอย่างนั้นเองบวชเรียนก็คือต้องเข้ามาศึกษาประเพณีไตรสิกขาไตรสิกขาก็ห่างเหินไปจากชีวิตของพระสงฆ์ แล้วก็วัดก็ไม่ทําหน้าที่เผยแผ่ธรรมะขยายธรรมะขยายปัญญาไปสู่ประชาชนไอ้นี่ตัวสําคัญในเหตุปัจจัยเนี่ยทําให้แก้อันนี้นะโยไม่มีทางจบหรอกปัญหาดังนั้นให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยก็ต้องแก้ไปเฉพาะเฉพาะเรื่องอย่างหนึ่งเฉพาะหน้าแต่ว่าเหตุปัจจัยอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยต้องทําให้ได้ การที่มีการคิดสร้างพรบคณะสงฆ์ขึ้นมาใหม่อะไรต่งตางๆเนี่ยมันก็ฟ้องถึงการที่ว่าเรายังจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ผลใช่ัหมมันก็เลยพรบคณะสงฆ์ก็จะต้องหาทางแก้กันว่าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนี่ถ้าแก้กันแล้วถ้าไม่เข้าใจหลักความมุ่งหมายที่แท้เนื้อตัวพุทธศาสนาไม่รู้อยู่ไหนจะมีพรบรเพื่ออะไรแล้วก็จบมันก็ไปไม่ถึงจุดหมายมันก็ไม่เกิดผลสาเร็จ ดังนั้นก็กพราบาคณะสงฆ์นี่ก็จะใช้ทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแลวแก้ปัญหาระยะยาวแก้ปัญหาระยะยาวก็คือแก้ปัญหาที่ตัวเหตุปัจจัยและสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องขึ้นมาอย่างที่ว่าม่กกี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เราควรจะเข้าใจแต่พร้อมกันนั้นก็ตัวเองก็นอกจากเข้าใจรู้ด้วยปัญญาก็ต้องรักษาใจด้วยรักษาใจที่ว่า ในสภาพสังคมอย่างนี้มีปัญหาเยอะแยะมันจะมีสิ่งกระทบกระทั่งทําให้ใจเราไม่ดีถ้าเรารุ่มร้อนไปก็จะเกิดโทสะเกิดความโกรธอะไรเงี้ยก็ต้องมีความเข้มแข็งมีความอดทนรักษาใจไว้ให้ดีแล้วก็แก้ไขด้วยสติแล้วมีปัญญาเป็นตัวนำจะทำอะไรก็จะทําได้ปัญญารู้ข้อใจให้ท่องแท้ ชัดเจนแจ่มแจ้งพุทธศาสนาเน้นปัญญาเนะเพราะว่าเราจะแก้ไขปัญหาอะไรเนี่ยถ้ามันไม่มีปัญญามันไม่รู้จริงเนี่ยมันแก้ไม่จบนะอย่างไม่รู้จักว่าพุทธศาสนาตัวแท้อยู่ที่ไหนฉันบอกจะรักษาตัวพุทธศาสนาไม่รู้จะรักษาตัวอะไรอย่างนี้มันก็มันก็ไม่รู้ทำก็ทาให้ถูกที่แต่ทีนี้ญาติโยมมา พูดถึงเรื่องเหตุการณ์เหล่านี้ที่มีขึ้นในเวลานี้เรื่องโดยเฉพาะก็มีปัญหาเรื่องพระเราก็จะได้ยินกันมาหลายปีแล้วเรื่องพระประพฤติไม่ดีอะไรต่างๆทําให้โยมพลอยหวั่นไหวศรัทธาบางทีก็คลอนแคลนไปด้วยความจริงเหตุการณ์เหล่านี้มันเป็นผลกรรมร่วมกันของสังคมไทยนีชาวพุทธร่วมกันสร้างขึ้นมานะคิดดูให้ดีเถอะเมื่อมันเกิดขึ้นมาจากผลกรรมร่วมกันแล้วเนี่ย เราต้องช่วยกันแก้ไขแล้วมันก็เป็นบทพิสูจน์ตัวเราด้วยเพราะเราเนี่ยวางใจวางท่าทีถูกต้องไหมมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนหรือเปล่าเรามองตัวเรายังไงอย่างว่าเออมีพระประพฤติไม่ดีมีปัญหาเกิดขึ้นชัดเบื่อแล้วศาสนาได้ไม่เอาพระเลิกทำบุญอย่างเงี้ยอย่างนี้แสดงว่าเ อ, อเรานี่ไม่ได้มองว่าเรานี่มีส่วนร่วมในศาสนาสินะ ชาวพุทธทุกคนพุทธบริษัทสี่นี่มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพระศาสนาร่วมกันเราไม่บอกว่าใครคนหนึ่งเป็นเจ้าของนะจะบอกว่าใครเป็นเจ้าของนทีเดียวก็ไม่ถูกอ่ะก็ต้องบอกว่าเรามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของด้วยกันเวลามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของด้วยกันเนี่ยเวลามีอะไรภัยอันตรายมีความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นแก่ของร่วมกันสมบัติร่วมกันเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันแก้ไขเราไม่ใช่มองเป็นคนนอก เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับเป็นบทพิสูจน์ญาติโยมด้วยว่าเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติวางใจถูกไหมถ้าเราไปบอกว่าพระประพฤติมดีฉันเลิกไม่เอาละอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้ตั้งท่าทีที่ถูกต้องไม่มีความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของด้วยถ้ามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโอ้เกิดเหตุการณ์ร้ายอย่างนี้พระศาสนากระตุกระเทือนเรายิ่งต้องเข้มแข็งใหญ่เลยที่จะบำรุงพระศาสนา ใช่ไหมพระศาสนาตอนนี้จะแย่แล้วหรืออาจจะร่อแร่แล้วพวกเรานี่แหละจะต้องช่วยกันให้เต็มที่เลยตอนนี้ต้องขมีขมวนลุกขึ้นมากระตือรือร้อนมาช่วยกันบารุงแต่ข้อสำคัญคือบารุงให้มันถูกที่ตอนนี้แหละจะเป็นเวลาสำคัญที่ว่าจะต้องมาแก้ไขปัญหาด้วยการทำให้ถูกเพราะที่ผ่านมาในพระชาพุทธเองเนี่ยบางทีก็คิดจะบำรุงอุปถาพระศาสนาก็อุปถาบารุงไม่ถูกทาง แล่กลายเป็นไปนส่งเสริมความชั่วร้ายหรือปัญหาให้เกิดขึ้นท่านก็บอกว่าต้องใช้ปัญญาต้องรู้ว่าอะไรจะทําให้พระาศาสนาอยู่ได้อะไรจะทําให้เกิดประโยชน์สุขส่วนรวมอะไรจะทําให้ทําวินัยอยู่ได้อะไรจะทําให้พระสงฆ์เจริญในตรีศิขาอะไรจะทําให้วัดเนี่ยเป็นแหล่งเผยแพร่ธรรมะปัญญาแก่ประชาชนเราก็ทําอันนั้นน่ไม่ยช่ทำเรื่อยเปื่อยทํา ส่งส่งไปทําอย่างนั้นบางทีมันก็พลาดทําให้เกิดผลเสียแล้วมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ด้ว่าบางทีญาติโยมเนี่ยคิดทําบํารุงวัดบํารุงพระาศาสนาทำบุญเอาแค่ผลตอบแทนกับตัวเองเท่า น, นั้นเองแทนที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบว่าอันนี้พระาศาสนาร่วมกันนะเราจะต้องช่วยบํารุงรักษาด้วยเนี่ะ น, นั้นเราก็จะต้องมีส่วนแก้ปัญหา เพราะนั้นเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นนี่มองในแง่หนึ่งก็ดีมันดีคือมันเป็นเครื่องพิสูจน์พวกเราชาวพุทธแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าถ้าใช้โยนิสม์สิการคิดให้ถูกทางแล้วจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ตื่นรือร้นขนขวายมาช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วพระพุทธศาสนาก็จะกลับเจริญมั่นคงขึ้นมาใหม่ถ้าข่าวนี้ทาให้ดีนะจะเจริญหนักเข้าไปอีก เพราะว่าคนเนี่ยเริ่มรู้เข้าใจ เ, าเวลามีปัญหาอันหนึ่งมันจะได้ประโยชน์ในแง่เธอคนจะตื่นตัวแล้วถ้าใช้อยู่ในสมรรถการคิดให้ถูกทางก็จะมาแก้ปัญหาแล้วจะแก้สิ่งที่ผิดไปด้วยนั้นะสิ่งอะไรที่มันเป็นของแปลกปลอมที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะได้โอกาสแก้ไขไปด้วย แต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้โอกาสนี้ถูกต้องหรือไม่ด้วยถ้าใช้ไม่เป็นก็ยิ่งเสื่อมกันใหญ่เลยณตอนนี้เป็นจะเรียกว่าเป็นวิกฤตก็ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อ น, นั่นเองว่าเราจะเดินไปทางถูกหรือเดินไปทางผิดเคยอุปมาปบ่อยๆว่าจะลงเหวหรือจะออกจากกระแสน้ําที่มันจะไหลลงเหวนี้ขึ้นฝั่งไปแล้วก็ไปในทางที่ถูกต้องวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอาเรื่องต่างๆมาพูดคุยกับญาติโยม ก็เป็นข้อคิดความเห็นเรื่องในวันสําคัญทางพุทธศาสนาวันมาฆบูชาของเราเนี่ยเพราะจุดหมายของญาติโยมในการมาทำบุญมาฆบูชาอย่างหนึ่งนะนอกจากทําบุญให้จิตใจของตัวเองสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใยผ่องใสมีความดีแล้วก็คือว่ามุ่งจะมาอุปถรรัมภ์บำบุญพระศาสนาด้วยเราจะมีส่วนร่วมในการสืบต่ อ, อยุทธศาสนามาบูชาพระคุณความดีของพระพุทธเจ้า เมื่อเราบูชาคุณความดีของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องการที่จะรักษาศ า, าสนาของพระองค์ไว่ น, นั้นเราจะบูชาพระคุณของพระองค์ได้อย่างไรก็ทำหน้าที่ของชาวพุทธให้ดีช่วยการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยรักษาพุทธศาสนาไวาให้คงอยู่ยั่งยืนก็เป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้าไปในตัว แต่ถ้าเราบอกว่ามาทามาครับบูชาบูชาคุณพระรัตนใจแต่ไม่ทำอะไรได้แต่ว่าบูชาบูชาไหวประหลกประหลกอย่างเดียวมันก็ไม่ได้บูชาแท้บูชาก็พรธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วบอกว่าการบูชานั้นมีสองอย่างคือหนึ่งอาวิสบูชาบูชาได้อามิตรวัตถุสิ่งของเช่นดอกไม้ทุกเทียนเป็นต้นนีอย่างหนึ่ง สองปฏิบัติบูชาบูชาได้การปฏิบัติหรือเรียกว่าธรรมบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมคือเอาธรรมะที่พระองค์สอนนั่นแหละมาใช้มาดําเนินตามมาทําให้เกิดประโยชน์กับชีวิตแก่สังคมของเราถ้าอย่างนี้เป็นการบูชาที่แท้จริงพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วนี่บอกว่าในการบูชาสองอย่างคืออามิสบูชากับการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมนั้นการบูชาด้วย การปฏิบัติมีอานิสงส์สูงสุดนะเป็นยอดของการบูชานั้นยติโยมมาวันนี้ก็อามิสบูชาได้ทำแล้วเราก็มีหน้าที่ต้องทําปฏิปปติบูชาต่อไปโดยเอาธรรมะที่พระองค์สอนนี่แหละมาใส่เข้าไปในจิตใจของเราโดยการทบทวนพระธรรมคําสอนโน้มนํามาทําให้จิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสสดชื่น ให้สติแก่เราที่จะระลึกถึงความดีงามระลึกถึงการทําประโยชน์ต่อกันตั้งแต่ในบ้านทําทบ้านของเราให้ร่มเย็นเป็นสุขคุณพ่อคุณแม่ก็มีความรักลูกอยู่อันนี้ปฏิเสธไม่ได้แนา่นอนก็ตั้งใจเลี้ยงลูกอย่างดีแล้วลูกก็มีนับใจตอบแทนต่อคุณพ่อคุณแม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขเอ๊ะแล้วคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขได้ยังไงล่ะเออ ก็เราก็ต้องประพฤติตัวให้ดีเฉพาะคุณพอ่อคุณแม่เนี่เป็นห่วงอนาคตของเราเป็นห่วงปัจจุบันวันนี้ไปไงเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าไปทําอะไรบางทีพ่อแม่สมัยนีย้เป็นห่วงกังวลมากกว่าสมัยก่อนนะลูกออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยชักไม่แน่ใจกังวล น, นี่พ่อแม่รักลูกก็อยากให้ลูกเป็นสุขนี่ถ้าลูกไม่เป็นสุขพ่อแม่ก็เป็นทุกข์อันนี้ถ้าลูกรักพ่อแม่ลูกก็ต้องอยากให้พ่อแม่มีความสุข นี่พ่อแม่จะมีความสุขได้ยังไงอย่างน้อยให้ท่านไม่ต้องหนักใจกับเราไม่ต้องให้ท่านกังวลกับเราเราก็ให้ท่านสบายใจว่าโอ้เราไปเนี่ยไปตามที่บอกไว้แน่นอนไปโรงเรียนก็ไปเรียนแน่นอนตั้งใจเรียนตามเวลาพ่อแม่มีความมั่นใจก็มแม่ก็นอนตาหลับมีความสุขจะทํางานประกอบอาชีพเรียกว่าทํางานทําการทำอาชีพก็เหนื่อยแล้วนะ อย่าให้มาทุกข์พ่ะลูกเลยอย่าให้หนักใจกังวลอีกเลยนะนี่พอลูกตั้งใจประพฤติดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงกังวลนนะีใจพ่อแม่จะทํางานหนักคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ว่าใช่ไหมทำงานหนักก็หนักไม่ได้ใครลูกของเราดีแหมพ่อแม่แสนจะสุขใจเลยเชื่อเถอะว่าพ่อแม่เนี่ยถึงจะทํางานหนักเท่าไหร่แต่ถ้าลูกเนี่ยประพฤติดีตั้งใจเล่าเรียนศึกษาพ่อแม่ก็มีความสุข เพราะนั้นถ้าลูกรักพ่อแม่อยากให้พ่อแม่มีความสุขเนี่ยก็ง่ายๆตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองศึกษาเล่าเรียนแม่ประพฤติเกเรนะเนี่ยพ่อแม่ก็ฝากความสุขไว้กันหนึ่งความสุขของลูกนั่นแหละถ้าลูกเป็นสุขพ่อแม่สุขด้วยสองพ่อแม่ฝากความสุขไว้กับความดีของลูก ถ้าลูกประพฤติ ด, ดีไม่ประพฤติเสียหายไม่เกเรไม่ออกไปนอกลูกนอกทางไม่ไปติดยาเสพติดไม่ไปม้วสุมไม่ก่อการทะเลาะวิวาทตั้งใจเรียนทำความดีพ่อแม่ก็มีความสุขใช่มแล้วก็สามพ่อแม่ก็ฝากความสุขไว้กับความเจริญงอกงามของลูกลูกไปทำอะไรทำการงานเล่าเรียนศึกษาก็เจริญก้าวหน้าต่อไปนพ่อแม่ได้ยินก็มีความสุขความชื่นใจ แล้วก็ลูกก็นี่แหละตอบแทนคุณพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาด้วยการที่ตัวเองเนี่ยทำตัวเองให้ดีนะแล้วพ่อแม่ก็มีความสุขก็เป็นความสุขร่วมกันตั้งแต่ในครอบครัวพอในครอบครัวมีความสุขดีแล้วเนี่ยสังคมก็จะพลอยมีความสุขเป็นด้วยเวลานี้ปัญหามันเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวเลยพอครอบครัวรักษาไว้ไม่ดีก็ปัญหาก็ขยายไปในสังคมนะจึงได้ย้ําบ่อยๆว่าจะจัดระเบียบสังคมต้องจัดระเบียบในครอบครัวก่อน ให้แน่นอนให้ได้ผลดีแต่ต้องไปด้วยกันนะเพราะว่าจัดระเบียบสังคมก็เหมือนอย่างเนี้ยเวลานี้ก็เหมือนอย่างที่มีพราบคณะสงฆ์เข้ามากํากับนะในบ้านเรามีเหมือนกับมีโอวาทาปาติโมกมีอาณาปาติโมกแล้วใช่ไหมในบ้านเราก็อยู่ในระเบียบดีแต่สังคมข้างนอกมันแย่มันมีเครื่องร่อนเล้าชักจูงมีอันตรายอย่างเนี้ยก็ต้องมี ด้านนอกพรลบรเข้ามากำกับอีกทีก็จัดระเบียบสังคมเข้ามากำกับถ้าระเบียบในครอบครัวก็ดีระเบียบสังคมก็ดีก็ไปได้กันดีแล้วก็ระเบียบชีวิตของแต่ละคนด้วยก็จัดระเบียบชีวิตจัดระเบียบครอบครัวจัดระเบียบสังคมทั้งหมดนี้ก็อาศัยวระธรรมวินัยของพระ เ, เจ้าเจ้านี่แหละเป็นหลักเอามาใช้ได้หมดทุกระดับโดยเฉพาะก็เริ่มตั้งแต่จัดระเบียบชีวิตของเรา จัดระเบียบชีวิตของเราทั้งกายทั้งใจด้วยธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มดีเพราะแกนมันดีแล้วพอจัดระเบียบชีวิตดีด้วยธรรมะอยู่ในใจออกมาทางกายทงางวาจาแล้วในครอบครัวดีแล้วออกไปสู่สังคมก็บ้านเมืองก็มาช่วยกํากับโดยอาศัยหลักธรรมวินัยอีกก็เป็นที่หน้าโมทนาอย่างปีนี้ก็จัดระเบียบสังคมก็ก้าวมาถึงว่า วันมาคาบูชาทางการก็ขอให้งดเว้นร้านสถานบันเทิงก็หยุดนะไม่ห้ยิงนกตกปลาฆ่าสัตว์ในวันมาคาบูชางานสนุกสนานรื่นเริงที่มันเลยเถิอดออกไปนอกศีลธรรมก็ให้หยุดนะใครไม่ปฏิบัติตามละเมิดก็แถมลงโทษซะด้วยนะอันนี้ก็เลยเหมือนกับไปอนุวัตตามตั้งแต่โบราณตั้งแต่สมัยนู่นเนี่ย ในสมัยรายการที่สองทรงฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชาก็ทรงประกาศมีพระบรมราชโองการทั่วประเทศชาตอาณาจักรให้ปฏิบัติตามเนี้ยมาถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตอนนั้นมีแต่วิสาขบูชามาคาบูชายัางไม่เกิดก็มี3มวันสามคืนเลยสามวันสามคืนนี้ไม่มีเรื่องเลวร้ายเลยนะเรื่องของการบันเทิงในทางอบายมุขอะไรแต่ไรไม่มีนะเรื่อง การคาดสัตว์เบียดเบียนไม่มีมีคือการทําความดีบุญกุศลกันไปเปําเพนฐานศีลภาวนาเนี่ยถ้าสังคมชาวพุทธเรามาช่วยกันกํากับทุกระดับเนี่ยนะก็มีธรรมวินัยเป็นฐานเป็นแกนให้กฎหมายบ้านเมืองก็เข้ามาช่วยเอาธรรมวินายนี้มาเป็นเป้าหมายแล้วก็จัดสรบบรระเบียบสังคมให้มันเข้ากันคุมกันได้ดีสังคมของเราก็ไปได้ได้ทั้งระเบียบชีวิตระเบียบครอบครัวระเบียบสังคมก็อยู่กันได้ดีก็มีความสุข วันมาค้าบูชาถึงเวลาวันสำคัญเราก็มาทําพิธีบูชาก็ได้จิตใจที่แช่ชื่นเบิกบานไม่ต้องเป็นห่งเป็นกังวลแล้วก็มีความหวังว่าปีหน้าต่อไปสังคมของเราจะดีขึ้นประชาชนบนเมืองก็เรียกว่าเป็นไพ่ฟ้าหน้าใสหน้าใสไม่ใช่หน้าคุณมัวเศร้าหมองหน้าแห้งกันไปหน้ากังวลหน้ามุนหน้ามัวไม่ดีนะท่นนก็เอาไปว่าเรามาช่วยกัน สร้างชีวิตสร้างสังคมของเราประเทศชาติให้ดีก็โดยที่มายึดหลักตั้งแต่โอวาทปาติโมกเป็นต้นไปวันนี้ก็เล่าให้ญาติโยมฟังทั้งเรื่องโอวาทปาติโมกอนาปาติโมกและยังมาแถมพรบคณะสงฆ์ด้วยเป็นสามชั้นก็หวังว่าญาติโยมคงจะได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็ถ้าได้อย่างนั้นก็ขอโมทนาก็เป็นประโยชน์ ในวันมาฆบูชานี้อย่างน้อยก็อนุโมทนาที่โยมทุกท่านได้มีจิตศรัทธามีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมาร่วมกันทาบุญวันมาฆบูชาเริ่มตั้งแต่ชา้าบางท่านก็ตักบาตรที่บ้านแล้วหรือว่ามาถวายราารพระทหารพระที่วัดบำรุงพระศาสนาให้กำลังแก่พระสงฆ์ที่จะปฏิบาาัติศาสน ก, กิจต่อไป ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้บุญกุศลความดีงามเจริญเพิ่มพูนขึ้นทั้งในชีวิตของเราและในสังคมของเราเพื่อการอยู่ร่มเย็นเป็นสุขต่อไปก็ขออานิสงส์จงได้บังเกิดมีขึ้นจากบุญกุศลที่โยมทุกท่านได้บาเพ็ญ น, นี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชษสา ได้เดชานุภาพคุณพะทธนนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญได้จิตใจเป็นต้นในวันมาคบู c h านี้ซึ่งเราได้ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เท่าที่ทำได้ตามกำลังของตอนแล้วก็ขอจงเป็นปัจจัยพิบารรักษาให้โยมญาติมิตรทุกท่านจเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามาขี ที่จะดำเนินชีวิตและกิจการงานรวมตั้ ง, ง้งแต่เด็กๆมีการศึกษาที่เจริญก้าวหน้าบารรลุผลสำเร็จสมความมุ่งหมายทำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติและแก่โลกที่เราอยู่อาศัยร่วมกันนี้ก็ขอให้มีความเจริญในธรรมเจริญในปัญญาร่มเย็นในร่มเงาของพระพุทธศาสนาทั่วการทุกท่านตลอดการทุกเมือ่อ Turn. Ah.